สอ ง, ส อ, งองค์ท่านเปลี่ยนกันสลับกันเทศโตลุ่งนหลวงปู่อ่อนองเดียวก็โตลุ่งได้ทุกวันนี้ไม่มีแล้วองค์แก่ๆครูวาจารอายุมากมากก็หมดเลี้ยวหมดแรงไป โดยธรรมชาติพ <c oughs> ากันตั้งใจภาวนาเท่านั้นละ่ะยินได้ฟังก็ได้ฟังอยู่เรื่อยมันก็เป็นการดีเป็นธรรมะกรอมเหมือนข้างพุทธเจ้ามาสามโมงสี่โมงพุทธเจ้าแสดงธรรมทุกวัน ก็ไปฟังทุกวันอ่ะก็ฟังแล้วมันได้ความสงบได้ความสุขในลื่นเลิงในกระแสธรรมที่ให้มันเต็มมันก็เป็นขั้นเป็นภูมิอย่างนางวิสาขามหาวิสิกาเนี่ยเต็มภูมิในขั้นโสดามักโสดาผล ต่แต่อายุเกตควบไปฟังธรรมะกับยายภูมิกิตอยู่ในระดับปัญญาที่รู้กายเห็นกายไม่สงสัยในกายในกิตไม่สงสัยในธรรมะที่ว่าส ก, กายทิฐิวิกิกิกชารสีรพตบลมานท่านก่อยอยู่ในภูมินั่นที่นี่แต่ทำไมต้องไป ฟังธรรมทาบุญทาทานก็เป็นการบารุงเรียกว่าเอาบุญบุญจากการทาทานบุญจากการฟังธรรมะมันทำให้เพลิดเพลินลื่นเลงในธรรมเป็นการบ่มนิสัยปัจจัยนางวิสาขานี่อธิฐานเป็นมหาวิสิการจะได้เป็นอยู่ ต่อไปอีกเด้ยยังไม่จบ เ, เอเอนั่นแหละไปไปสิ้นสุดพศศระซีอริยะเมตัยนั่นน่ในพัทธกับพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ที่นี่ภูมิธรรมทางปัญญาท่านก็จะไปเต็มในข้างนั้นเนีเ่ยจึงจะจบสิ้นเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเออถ้าฟังธรรมเข้าใจในธรรมแล้ว ทำไมจึงต้องไปฟังอีกมันก็เหมือนกับอาหารบำรุงร่างกายเราแหะในส่วนอยากเช้าวันนี้ก็ทานเดี๋ยวมันก็หิว <c oughs> เย็นมากก็ทานแต่ทานหนเดียวอย่างลุงตาฉันหนเดียวมันก็อยู่ได้นล้วหนล้ห น, นก็ไม่ได้มีปัญหากับอาหารทางร่างกาย การธรรมะการฟังธรรมะเป็นอาหารทาง จ, จิตใจบำรุงสติปัญญาความรู้ความเห็นมันก็เพลินของเก่านั้นแหละฟังของเก่านั่นตั้งนโมตตะเพราะเขว่าโตอันเก่านั่นแหละมันก็เพลินอยู่ในนโมนั่นแหละความนอบน้อมในคุณธรรมของพระพุทธเจ้าหรือคุณธรรมที่เป็น องค์ของธรรมแท่ธรรมชาติของธรรมแท่ที่เรียกว่าพระธรรมคําสอนที่ตัดไว้ชอบอย่างเส้นว่าพุทธเจ้าสอนว่าเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ทุกข์เพราะเกิดเพราะแก่เพราะแก่เพราะตายปัญญากําหนดรูเข้ควรก็เพลินในความจริง มันจึงไม่มีความหดหู่ไม่มีความเหี่ยวแห้งไม่มีความเบิกบานต่อความจริงนั่นเป็นความสุขในการพิจารณาเข้าใจในความแก่ความเก็บความตายรือความพัดภาคจากของรักของชอบใจหรือในโลกธรรมแปดที่พระองค์ทรงตัดสอนผู้ใดเข้าใจใน โลกกระททั้งแปดเนี่ยย่อมเป็นมงคลคือจิตใจจะไม่จิตใจจะไม่กังวลไม่หดหูไม่เหี่ยวแห้งกับธรรมที่มันมีเป็นประจำของเขาอยู่โลกกระทำแปดได้ลาบเสื่อมราบได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์แปดอาการเนี่เป็นกิริยาของธรรมประจำโรค ถ้าเข้าใจเมื่อเวลาได้มามันก็ไม่ดีใจจนเกินขอบเขตหรือมันเสียไปอันก็ไม่ได้เสียใจจนไม่มีที่โปร่งที่วางเพราะมันรู้เข้าใจในธรรมประจำโลกไว่าได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศเหมือนอย่าง ในลาบเสื่อมลาบเหมือนเศรษฐีอนัฐาบินณิกเกษฐีเวลาท่านมีลาบประกอบสัมมาชีพได้เงินได้ทองค้าขายได้กําไรจนได้เป็นเศรษฐีแต่พอถึงเวลาเสื่อมท่านก็นําเอาสมบัติที่มีละ่ะมาทมําบุญทําทานอีกเป็นกําไรแต่ถึงเวลาเสื่อมข้าวมันเสื่อมมันก็เสื่อมไปเสื่อมไป จนถึงกับว่าที่ท่านพูดไว้ในตำราว่าอนาธาบินิกาเศตีเนี่ยเอาทรัพย์สมบัติของตนเองที่มีอยู่มาสร้างวัดเชตวันสร้างวัดนับตั้งแต่ซื้อที่ดินของเจ้าเชษซื้อที่ดินเนี่ยเขาให้เอาทองไปปูไปทองเป็นแผน่น เต็มไปขนาดไหนก็เอาขนาดนั่นเศรษฐีเศรษฐี <c oughs> มีทองมากก็ปูไปจนเต็มในพื้นที่ของเจ้าเชษประมาณแต่ก่อนประมาณห้าร้อยไร่สวนเจ้าเชษปูไปจนเต็มสุดท้ายเจ้าเชษขออนุโมทนาด้วยให้เอาตรงที่ทำประตูเข้า เ, เก็บออก แล้วก็ขอชื่อฝากไว้ด้วยในวัดนี่จึงได้ชื่อว่าวัดเชิดตะวันเพราะเป็นสวนเป็นที่ของเจ้าเชิดผู้เป็นเจ้าในแฟนโคศนั่นแหละนี่เอาทองคำปูนอกอย่างนั้นก็มาสร้างเสนาสนะออก อยู่ที่อาศัยปรับปรุงอะไรก็สิ้นทรไปถึงเก้าสิบสี่โกรทองคําที่เอาไปปูนั่นม่คิดเลยก็เป็นค่าทองเก้าสิบสี่โกรรวมเป็นร0 0ยสกับสี่ก็เป็นแปดเก้าสองเก้า็ส0บแปดรย แปดสิบสี่โกดก็เพราะมีทรัพย์เพราะเศรษฐีมีรัพย์ถวายแด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้ได้ใช้สอยเสนาสนะทั้งภิกษุณีสงฆ์ด้วยภิกษุสามเณรด้วยทำประโยชน์ญาติโยมเมืองสาวัตถีตอนบ่ายมาก็ไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้บรรลุ มักผลทรรมพิเศษนับตั้งแต่อันโสดาบันไปทุกวันทุกวันมีอยู่ทุกวันทุกวันอย่าผู้ได้รับประโยชน์จิตใจเป็นธรรมอนอกจากนันเศรษฐีกับ น, นีมนมลพระไปรับฉันบิณฑบาตในบ้านวันละห้าร้อยรูปพัตุเทศต้องจัดห้าร้อยรูปนีไปบ้านเศรษฐี นาทะบินิกเศรษฐีห้าร้อยรูปนี่ไปบ้านของนางวิสาขามหาอุบาสิกาห้าร้อยรูปนี่ไปวังพระเจ้าประเสณทธิโกศลนอกจากนั่นก็ไปตามบ้านเศรษฐีกระดุมพีคนยากจนเข็นใจที่มีกิรเสียมใสแสดงความจำนงต่อพัตุเทศผู้แจกให้พระไปรับ สันบินธบาดีอยู่ทุกวันทุกวันเศรษฐีก็ทําบุญทําทานในส่วนที่ไปฉันที่บ้านตนเองทุกวันทุกวันก็มีจิตใจลาเลงอยู่กับทานทานน้ำมจิตใจลาเลงอยู่กับภาวนาใหม่ได้ฟังธรรมประจําทุกวันทุกวันที่พระสงฆ์ท่านอนุโมทนา น, นั่นแหละท่านแสดงธรรม ต่อมาก็ยากจนลงเศรษฐียากจนลงที่เคยถวายทานด้วยอาหารนันปนีสก็เหลือแต่น้ำน้ำต้มน้ำข้าวปลายเอาเข้าวปลายมาต้มเยอะๆเพราะพระห้าร้อยเดอย่ต้องถวายองละขนาดสมมติว่าอย่างองคละถ้วยละถ้วย ห้าร้อยถ้วยมันจะขนาดไหนก็ทำนั่นแหละน้ำต้มข้าวแล้วก็น้ำผักดองเป็นอาหาร <c oughs> ผักมันเยอะเอาผักมาดองมาขั้นส้มผักน้ำเยอะๆอ่างคาดพระสงฆ์ตักน้ำข้าว <c oughs> ต้มใส่บาทแล้วก็ตักน้ำผักดองใส่จนสุดท้ายนี่พระปุตุชน ถ้าสองพุทธชนที่เห็นแก่การกินก็ต้องต่อว่าพัตุเทศที่จัดให้ตนเองไปฉันที่บ้านอนาถาบินิกะเศรษฐีเพราะมันมีแต่น้ำผักดองกับน้ำข้าวต้มเป็นอาหารถึงอย่างนั้นทาอยู่เศรษฐีไม่ไม่ยอมหยุดทีนี่เทวดาที่เฝ้าอยู่ประตูเรียนจึงได้โอกาส จึงมาบอกเศรษฐีมีแต่ทำบุญทาทานเห็นไหมท่านทุกจนยากไร่ท่านหยุดเสเถะทีนี้สติปัญญาพระโสดาวันเพราะอนาถาบินิกะเศรษฐีท่านมีภูมิจิตภูมิธรรมเข้าถึงธรรมแล้วเพราะสัวนการให้การให้ทานจรึงไม่มีอุปสรรคต่อเมื่อยังมีสิ่งที่จะให้อยู่ท่านก็ให้ได้ทาได้ ยังทําทานอยู่ต่อไปนั่นแหละด้วยน้ําผักดองและน้ําต้มข้าวปลายเศรษฐีบอก่ท่านเป็นใครมาบอกให้ข้าพรเจ้าหยุดทําทานเป็นเทวดาอยู่ชุ่มประตูบ้านของท่านนี่เองถ้าอย่างท่านหนีจากนี่นะท่านเป็นมิจฉาทิฐิท่านไม่ยินดีในการทําทานท่านจะมาอยู่ประตูบ้านของเราเทวดาเลยไม่มี ไม่มีที่อยู่สิไปที่ไหนที่ไหนก็มันเป็นสิทธิ์ของเทวดาองค์อื่นภูมิเทวดาอากาศเทวดาเขามีอยู่เต็มไปหมดตนเองไม่มีที่อยู่ร้องให้ไปหาพระอินทร์พระอินทร์ยังถามเรื่องราวของลูกว่าไปบอกให้เศรษฐีหยุดทาบุญทา ท, ทานพระอินทร์งว่าท่าน พอจะช่วยเศรษฐีได้ไหมทรัพสมบัติที่คนเขายืมไปไม่ส่งคืนท่านไปทำให้เขานำมาส่งคืนแล้วก็ทรัพเศรษฐีที่ฝังไว้ฝังแม่น้ำอจิรวดีถูกน้ำพัดลงไปในมหาสมุทรนำคืนมาให้เศรษฐีพอจะทำได้พอจะช่วยได้ ถ้าอย่างท่านไปช่วยเศรษฐีแล้วก็ไปขอขามาโทษเศรษฐีและเศรษฐีจะอนุญาตให้อยู่ที่ประตูบ้านต่อไปเทวดาตนนั้นก็ไปทำด้วยกำลังฤทธิ์ด้วยอนุภาพของตนเองนำทรัพย์สมบัติที่ตกไปในมหาสมุทรกลับมาไว้ในคังของเศรษฐีที่เขายืมไปกู้ไปยืมไปนำมาส่ง เรียกว่าขั้งเศรษฐีเต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติที่เทวดานำกลับคืนมาแล้วค่อยไปขอคำมาโทษเศรษฐีเศรษฐีให้ไปขอคำมาโทษพระพุทธเจ้าจึงอนุญาตให้อยู่ที่ชุ่มประตูบ้านเทวดาจึงมีที่อยู่ <c oughs> นี่เรียกว่าอนาธาบินดิกเศรษฐีท่านมีสติปัญญา รู้เท่าทันทมประจำโลกโลกกระทำแปรมีลาบถึงเวลาเสื่อมมันก็เสื่อมไปแต่เรื่องของธรรมะการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเศรษฐีไม่ยอมให้เสื่อมเพราะมันไม่เสื่อมมันเป็นสิ่งที่ไม่เสื่อมแล้วธรรมะในขั้นเบื้องต้นเนี่ยขั้นรูก้กายเข้าใจในกาย นว่าความเห็นในกายว่ามันเป็นสิ่งที่แปรปวนไปมันไม่เสื่อมเพราะฉะนั้นเศรษฐีจึงต้องทำทานจึงต้องฟังธรรมะทำบุญทำทานไปจนกลัวจะไม่มีอะไรทำทานให้ทานก็เหลือแต่จิตใจจิตใจก็มีสติปัญญาเป็นธรรมรู้เข้าใจในธรรมนี่เป็นอย่างนั้น ก็เช่นเรื่องฟังธรรมะเรื่องภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องอยู่กับกายกับใจของเราเรื่องทาทานเป็นเรื่องเกี่ยวข้องต้องมีวัตถุสิ่งน้นสิ่งนี้เนี่ยเวลามันมีทาได้วก็ทำ ม, มันไม่มีไม่สามารถจะทำได้ก็เหลือแต่ภาวนาสติปัญญาพิจารณาในขันท่าต่อไป ด้นความมันจะลูกจริงเย็นจริงมันก็จะปล่อยวางไปเป็นขั้นเป็นตอนไปแหละในเบื้องต้นลูกเข้าใจด้วยปัญญาธรรมดาธรรมดามันก็วางปัญหาที่มันมีข้างคาในจิตใจวางปัญหาไปได้วางไปได้เดี๋ยวว่าถ้าพูดจำที่ท่านว่าเียวว่าละกิเลสความโลภ ความโกรธละความหลงไปได้เบาบางไปเรื่อยเรื่อยความทุกข์มันก็เบาบางไปเรื่อยสุดท้ายเมื่อลูกเข้าใจละเรียกว่าทอดทุรละปล่อยวางความยึดมัน่นถือมัน่นทั้งหมดไม่มีในจิตใจก็เรียกว่ามีความสุขอย่างยิ่งมีความสุขตลอดอนันตการ นเป็นอย่างนั้นเพ <c oughs> ราฉนั้นก็ทไปภาวนาไปกำหนดพุทโธหรือกำหนดความตายกำหนดอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาเป็นอารมณ์ในส่วนภาวนาสมถะลิปสนาก็กำหนดไปมีความเพียรเพ่งไปเรื่อยเรืยไม่ท้อถอยเมื่อมัน <c oughs> เต็มกำลังมันก็จะรู้ก็จะปล่อยจะวางวางจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นยึด ต, ตัวถือตนได้ <c oughs> นะเห็นละพอนไห